Any e i o h t h a e i h i h a question? s h a question? Uh, question? u s h u e s n i t u e t i n that e i n Uh, s a e i n t a t question? s a u e t i n u s h a e s t i o n u s h e s i n t a t s i o n u s h a e s i n u s t a s i o n a n d s t h e s t i o n e s o n Uh, t e s o s e s o u s t s o u s i o u e i o Uh, a e i o u a e i o n Uh, a e i o t a e o n t a t i o n h a t a e t o u t i o t a u o Uh, t a i n i t a s n is e o u t h e n t การภาวนาหรือการนั่งสมาธิก็เพื่อทำใจให้สงบให้ใจหยุดคิดถ้าใจเรามีความคิดอยู่เรื่อยๆมันจะไม่สงบมันจะไม่ได้ผลเวลานั่งนี่ต้องมีตัวกากับใจตัวควบคุมใจนียกาสติสตินี่ก็มีหลายหลายแบบด้วยกันเช่นการ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็จะหยุดความคิดได้เรานั่งไปแล้วเราก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปภายในใจอย่าป่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้ามันไม่คิดได้สักต่อเนื่องสักห้านาทีสินาทีมันก็จะสงบปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องของห้านาทีสินาที เราพุโทโธได้สองสามวินาทีเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะาเราต้องพยายามฝึกพุโทโธก่อนที่เราจะมานั่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องพุโทโธพุโทโธในใจไปทําภารกิจต่างๆก็พุโทโธพุโทโธไปฝดพุดโทโธไปเรื่อยๆให้ใจไม่ไปคิดเรื่องต่างๆถ้าคิดแล้วมันก็เวลามานั่งมันก็จะไม่อยู่คิด ถ้าเราฝึกให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆเวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับพุโทโธถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วเดียวมันก็จะนิ่งจะสงได้อันนี้ก็วิธีหนึ่งถ้าเราไม่ชอบใช้พุโทโธก็ใช้การเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้เช่นร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ให้อยู่กับการทํางานของร่างกาย กำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังนั่งกำลังยืนกำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำกำลังทำอะไรนะี้ให้ใจอยู่กับร่างกายอย่าให้ไปอยู่กับเรื่องอื่นพร้อมๆกันเอาอย่างใดเอาเรื่องเดียวให้ใจอยู่เรื่องเดียวอยู่กับร่างกายก็อยู่ไปรู้ไปพุทโธไปหรือจะถ้ามันไม่ยอมอยู่มันจะคิดนึงคิดนี้ก็ใช้พุทโธช่วยกระได เอเวลากราลงอาบน้ำอยู่ยังไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องอะไรต่างๆเ้าก็ใช้พูดโทพดโธดิงกลับมาพยายามฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันไปอดีตอย่าให้มันไปอนาคตถ้าใจอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิมันก็จะสนสบสนบแล้วมันก็จะพบกับความว่างของใจพบกับความสุขของใจ การสดที่เป็นธรรมชาติที่เกิดจากความสงบนนี้คุณนั่งได้เพงหชั่วโมงนะครับแต่ชัิ a lot of times ไปแถ้านั่งได้ห้าชั่วโมงก็เก่งนั่งหลับหรือเปล่าลหแล้วมันแล้วมันรู้สึกแต่ได้ครั้งเดียวแต่ว่าโดยปกติจะนั่งได้สีชั่วโมง แล้วสีข้างบนนี้มันเป็นยังไงมันนิ่งไหมมันสงบไหมมันเออมันแวบไปแล้วก็กลับมาแล้วแวบกลับแล้วบางทีก็ก็เรียกร้อยสงบดีก็มีคือมันแวบไปแวบมามันก็มีแบบดีที่สงกบ้างนิดหน่อยดีบ้างแต่ว่ามันก็มันก็จมันก็เป็นเล็งนะคะแต่มันก็มีมือที่สงบบ้าแต่ว่านั่งนานจะดีกว่าแค่นี้เลยกัน ทำไ้ว ko ันคือคือคือชั่วโมงเอ่อชั่วโมงแรกะชั่วโมงแรกคือคช่วโมมันจะปวดเมื่อนมากพอถานไปุมันก็จะข้หายไพอถึงหมดชั่วโมงที่สองก็อยากต่อหมดชั่วโมงที่สองอยากต่อก็ไปถึงสามสามก็มันก็ยังไม่อยากต่อกถึงสีอยู่วันนึงก็ออกไปถึงห้าคือมัน คือมันไม่ปดนิ่งด ja so ้วยมันก็ไปได้แต่ว so ่าใจทีว่ามันมันไม่เชิงนะคะมันก็นิ่งบ้างนิ่งบ้างแต่มันก็ไปต่มได้มันมีความสุขไม่ะก็รู้สึกรสึกทดีคือร่ดีแต่มาอ่คั้งเดยวังน่งแล้อ้โหมันหยใจไม่ได้คือไมเหมืนจะตายอ่ะก็เล้ายแมันมันเหมือนจะไม่ฆามันจะตายจริงๆมันมัน มันมีความกลัวตายที่มนมากว่าจะตาก็เลยเมื่อยทายดีว่าจะเดเลยสีเ้ยเอาแล้วปี้มันก็หายแต่วันนี้หักมากคือางจะตายนี้เนี่ยมันเหมือนจะตายวก็ัก็กลัวมากกลัวตายจริงๆแล้วมันหายกลัวมแล้วมก็อยู่ๆมันก็าไ้มก็แล้วก็ครบสี่ช่มงแล้วนี้ยังกลัวตายอยู่อ่ะ มันเป็นนั่งเดีย<ะ>วันนั้นอย่งเดียวใช่แต่ตอนนี้มีความรู้สึกกลัวตายยแต่แต่ว่าเวลาที่งมาก็เฉยๆทุกตั้งตนนต แ, ตตแต่ตอนนี้เ่ืทุกคนก็กลัวตายแต่ไอ้ตอนนั้นน่ะมันจะกล้าตายจริงๆกับทา่าคือถ้ามันยอมตายมันก็จะไม่มันก็จะหายกลัวไปตลอด แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันกลัวมากแล้วก็มันก็ค่อยๆหายไปเนหายกลัวก็หยุดไปเองมันก็อาการดีขึ้นเหมือนหายใจได้ครับมันมันมันหายไปเพรความความสงบถ้ามันหายด้วยวิปัสสนาและปัญญามันก็จะหายอย่างถาวรหรือถ้าเรายอมรับว่ามันยังไงร่างกายนี้มันไม่สุดมันก็ต้องตายมันเป็นอนิจจังห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา ถ้าไปกลัวไปกลัวมันก็จะทุกข์ไปเป่าๆถ้ามันยอม้วมันก็จะหายกลัวหายทุกข์ถ้าจะอยากจะให้มันหายกลัวไปตลอดก็ต้องใช้หลักคราวหน้าเจอความกลัวก็ใช้แบบนี้พิจารณาว่าร่างกายมันไม่เที่ยงสยแก่เจ็บตายพิจารณาว่าเป็นอนัตตาว่าห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้าเรายอมให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยอมเราอยากให้มันอยู่มันก็จะทุกข์ถ้ามันยอมรับมันยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องตายแน่ๆแต่ตอนนั้นมันมันจะกลัวมากเลยนะครับเพราะว่ากลัวเพราะว่าเป ok ็ so like นก <atom> ล <t od S 1> ัวว่าเรไม่รูจะไปไหนนะครก็คือไม่ต้องไปสนใจไปไหนไม่ใช่ไหมแค่เพื่ว่าว่าว่าแเราจะนักต่อเราจะลรกดีแต่ในสิ่ก็ ไม่รู้แหละก็นั่งไปในสุขภามันก็ดีขึ้นก็หายไปเลยก็นี้แหละถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องต้องต้องแก้ปัญหาดังความกลัวนี้ได้อันนี้เป็นแคสป่าค่ะจาเราแล้วเสียวแคสเป็นครั้งเดียวความกลัวความทุกข์นี้เป็นข้อสอบตรงนั้นแหละเราก็ต้องใช้ปัญญาแก้เมื่อเมื่อเกิดเับสองอาทิตยที่แล้วเร็วเลย ไม่ว่ามันจะกลัวเรื่องอะไรก็ตามกลัวเรื่องความตายกลัวเรื่องความตายของคนอื่นมันก็แบบเดียวกันถ้าใช้ปัญญายอมรับความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มันก็จะยอมแล้วมันก็จะหายกลัวปฏิบัติก็เพื่อดับความกลัวและความทุกนี้มันทันยงเรียกว่าก้าวหน้างี้ก็มันก็มันก็อยู่ที่ความสงบทั้งนั้นอยู่ที่ความนิ่ง นั่งไปสี่ชั่วโมงก็นิ่งแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็กลัวถ้าอยากจะผ่านความกลัวนี้ก็ต้องพิจารณาความจริงความจริงคือร่างกายร่างกายนี้มันตายไม่ตายถามดูห้ามันได้ก็ปากแล้วไปทุกขกับมันเถอะทุกข์เพราะอยากให้มันไม่ตายถ้ายอมให้มันตายมันก็จะหายทุกข์มันไม่เชิงว่าเราเราไม่ยอมตายก็ยอม ก็รู้ว่าจะต้องถือเวลาปกติใช่ไหมนะ้รก็เข้าใจเราก็ยอมแต่ว่า เ, าเรากลัม ไ, ม ไ, มไม่รู้มันไปไหนนะฮะกลัวมันไม่เค ย, ม, ย, ยมันไม่เคยมันเป็นแบบนั้นเองจะไปไหนก็ไม่มันจะไปไหนมันก็มาอยู่ที่นี่แหละมันก็อยู่ที่เราแหละเราจะไปไหนร่างกาย ม, มันก็ไปไปวัดทั้งนี้จะไปไหน วมพอักมากกว่ายางแล้วความเจ็บความเจ็บมีปัญหาไหมเจ็บลบไมหายที่เองคือมันมีปัญหาทุกวันเวลาเจอมันกลัวเวลาเจอเจอเจอมันกลัวไหมไม่กลัวความเจ็บอรู้สึกว่ามันมันเกิดแล้นก็ดัแล้วับทุกครั้งเราดับทุกครั้งความเจ็บก็ไม่กลัวแต่กลัวความตายเแต่แต่แต่แต่แมัแต่นต่แต่แตแแต่ มันรู้สึกมันไม่เจ็บเลยมันเหมือนแยกกับอกตายก็ดีนี่ก็มาแก้ความกลัวตายกันแล้วกันก็ถ้าวันนั้นผ่านแล้วเนี่ยวันนั้นมันก็ดีขึ้นมันก็หายไปเออคือคือตอนแรกตั้งใจจะจะออกจากเซ็ตเลื่นั่งจะมาถูกไหมแล้วก็ไปหอยเขาช่วยจะใครที่มาช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองก็เลยนั่งก็รอลงไปเรื่อยๆมันก็หาย ก็ใครใก็ช่วยได้เราบอตอนนั้นไม่นานความตายก็เหมือนกันอ่ะตายก็มีใครช่วยได้เพราตอนนั้นมีอยู่ละมีอยู่สักสอปีแล้วไม่ได้นานขนาดที่เขาหรุดหยุดใ้เหมือนใจจะขาก็ตายแล้วก็เขาก็ช่วยอะไรกันก็ไม่ได้เ้าก็เลยถอนหน้ากันมาที่ขมันหายเองคือมันไม่หาใจมันเหมือนจะขาดใจตายเท่าที่เราม่ไเจ็บอะไรจะนอน เป็นอย่นั้นคุณนายก็หอนั่งสมาธิจนคนช่วยก็หลับก็ไปหมดแล้วเราก็ขายเลยกปกติมันเป็นปีนั่งนอนเต้เป็นส อ, อนางาครั้งก็ไปลงยาปานด้วยแล้ ว, เ ข, ว, ลวเขาก็ให้กับออกซิเจนก็เต้นปอดแล้วตอนหลังเลยไม่ไปไงคะไม่ไปมันเป็นอย่างนั้นสาเที่ยว <ừ. S 2> กดไปลงในปานให้ออกซิเจน อะไรแล้วพพลเราะึขล้เป็นต่อตอนหลังเป็นอย่างนี้ก็เลยถุกนั่งสมาธิหอรู้ท้หน้าเอนย่อกนอ้อยานันคุณจที่แกกังใจก็หลานก็หลับแล้วสามมอก็หลับเราก็หายมันเลิก <c oughs> เลิกเลิกขาดใจแล้ว s, <c oughs> <S so, so t s not a n d i t i มันชปอ่ากว <c oughs> ่ากปฏิบ <c oughs> ัติเร <c oughs> ื่อ ดับความกลัวเจ็บดับความกลัวตายจะได้สบายจะได้อยู่อย่างสบายเราถ้ากลัวแกสองตัวนี้ได้ก็สบายแต่ถ้าเจอความกลัวตายก็ต้องพิจารณาความตายของร่างกายบ้บงางร่างกายนี้ยังไงม น, นก็ต้องตายส่วนใจมันจะไปไหนก็ข้างหัวมันถึงเวลาก็รู้เอง ตายใจไม่มีวันตายด๋อยหนูไม่ค่ะพระพุทธเจ้าะนในพิธีมามณ์ดงรสูตรบอกให้วางใจในในพคุณแหงสบอกว่าพอตายตายตายให้ให้ใจตายไปด้วยในในในหนังสือเขียนอย่างนั้นก็เลยหเกลดใจใจตายเหมนใจใจตายตายใจเข้าจไหมใจปล่อย ให้ใจปล่อยใจไม่มีวันตายคือคือไม่อ่ออาจในที่คุณมาลืาามให้ใจให้ใจตาย<อ>ไปกับมันให้ให้ตัวเริ่มงกตายไปแล้วก็ให้ใจว่าดับไปด้วยเขาพูดอย่างานั้นใช่ไก็คำว่าดับก็ดับความกลัวใจมันทํา ง, งานมันก็ไม่ตายเนี่ยมันมาเกิดตั้งกี่ครั้งแล่วมันก็มันจะไ้ตายได้ตรงไ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 อก็จะไม่เกิดอไม่อยากเกิดก็ต้องไม่อยากไม่อยากให้ร่างกายไม่ตายถ้าอยากให้ถ้าอยากให้ร่างกายไม่ตายก็แสดงว่ายังอยากอยู่ยังอยากเกิดอยู่ไอ้คนที่กลัวมันไม่ใช่ไม่อยากให้ร่างกายไม่ตายมันกลัวแต่ว่าเฮ้มันจะไปไหนได้เองไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกคนพูดไปคำเรื่องของคุณยังไงแต่เรื่องของเทก็เป็เรื่องไม่อยากจะตายนะเออ มันแก้พวกนี้มันก็แก้ปัญหาไม่ถูกประเด็นแค่นเองก็คือในใจนมันรวมด้วยกันหมดจริงกันนะมันไม่ใช่โกนไม่ไปไหนหรอกมันกโกนนี่แค่อยู่ออาถาไม่เชื่อคุณไปลองพิสูจน์ดูคุณไปไหนคุณก็มันไม่มีปัญหาตรงไหนจะไปไหนก็ไม่ไปไหนปัญหาเป็นที่ตายหรือไม่ตาย อย่าคุณมันก็หาประเด็นไม่เจอคุณก็แก้ปัญหาไม่ถูกแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะคุณกลวไม่รู้คุณจะไปไหนแล้วคุณจะแก้ยังไงก็ไม่มีวิธีแก้นะเพาไม่ใช่ประเด็นที่จะให้ลองแก่ก็ถึงทรื่องว่าผมมาอ่านทฤษสีนีเออเพราเราก็มีแก้ปัญหาก็ไมใจมันตายไปเลยก็อยู่แก้อย่างนั้นแก้ตามทฤษฎีไว้อย่างนั้นใจมันไม่ตายไปทําให้มันตายได้ไง พราะว่าตายก็คือให้มันตายไปกับตายไปกับปล่อยร่างกายซ้อมตายก่อนตายเ็าเรียกอย่างนี้เข้าใจไหมให้ใจใจมันไม่ยอมตายแล้วร่างกายตายใจมันไม่ยอมตายใจต้องยอมตายถ้าใจยอมตายแล้วมันก็หายทุกข์แต่ใจมันไม่ตายถึงแม้ยอมตายมันก็ไม่ตา ย, ตยาใจพระพุทธเจ้ายอมตายใจของท่านตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่ามันไม่ไปเกิดใหม่อ มาแมร okay. ี่อโอเคคือคือเอ่อผู้รู้ผรู้จิตสิผู้รู้นี่นะคะคือ I went to this this meditation class I'm quitting finally เพราะว่ามันมี discrepancy เยอะครับแล้วก็แล้วก็เอ่อรู้สึกสุดขัดมากเอ่อด้วย meditation ชี้ที่นิดเดียวแล้วก็ทุกคนพอเดินมาตรงนี้ก็เจอหน้ากันะระแวงอย่างนี้ยเอ่อ แทน้นสำคัญที่สุดคือไม่มีฟ้าเลย mm hmm. นะคะแล้วก็วันหนึ่งฟังเทปท่านท่านบอกมีคนถามบอกว่าถ้าหากว่ า, านิพานเป็นคนสามไมแท่านิพาก็จะตายภายในเจวัน mm hmm. askin right <S ท่านบอกครับเราก็บอกเอ๊ฟังผิดหรือเ่า <laughs> mm hmm. เราก็เลยถามอาจารย์ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นรุ่นก่อนมาสองคือเราก็นับถึงไม่ลงอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้า เขาขอ่านจากหนังสือที่เราได้มา we just repeat the words and I find that I'm wasting my time here but then I got confused I and mean, that's one question I got confused on and then the other question I got confused on the uh, ยวิว่าาู่รู้นี่เป็นสต which is not correct mm hmm. ใช่ไหมคะ o k y now เลยทำให้เรามีคำถามว่า How เข e อ๋อไอสติกระจิตเนี่ยมันวีเลสกันยังไงครับคือสติเป็นของจิตหรือเปล่าคือจิตเนี่ยเป็นเหมือนถ้วยน้ำถ้วยแก้วน้ำนะสติเป็นตัวบังคับแก้วน้ำเขาจะบางทีแก้วน้ำมันคว่ำบางทีมันหงาย it's together it's a r e g l a t o r of the mind okay so ถ้าเราตายแล้วก็ยังอยู่ด้วยกัน ใช่คือสติส่วนใหญ่คนเราจะไม่มีสติเจ้าน้ําก็เลยคลื่น oh. ไปคลืถ้ามีสติมันก็นิ่งส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ผู้หญ oh. นะิ ง, งีตายแล้วก็ไม่มีสติอย่างนี้คือ that's why เออคือคน <say> ไม่มีสติก็คือคนควบไม่มีตัวควบคุมใจใช่ไหม oh. เวลากลัวก็กลัวไปเลยเวลาเป oh. ็นบ้าก็เป็นบ้าไปเลย oh. น, นี่แสดงว่าไม่มีตัวควบคุมใจ ถึงบอกต้งเลิกเพราะว่าอ่านเยอะไปจริงๆและวไม่งั้นนั่งนั่งสมาธินักหล่อเลยชั่วโมงครึ่งตั้งแต่ไปนั่งได้คือชั่วโมงบางทีไม่ถึงสิบห้านาทีหรือทำไมนานอย่างนี้ลืมตาที่น้องสิบห้านาทีเอง so I'm digressing i n d so progressing ทีนี้บาปทำไมคะบาปทำไม because I didn't keep my promise to stay the whole course ก็เหมือนกับคุณไปเดินทางผิดแล้วคุณรู้เดินทางผิดแล้วคุณยังอยเดินไปต่อหรอโอเคไ ป, ไปองคแล้วก็มัอนองคุลิมานองค์คุลีมานก็สร้างสัจจะจะฆ่าคนหนึน่งพันคนบ่ฆ่าได้เก้าร้อยเก้าสิเก้าคนไปเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกผิดทางเขาก็หยุดไงแต่พวกเด็กยอดมากเลยเหรือว่าต้องมีอะไรเนี่ยทั้งทุกคนวิสยัยดีมากนะครับ โน่แนดูค่เพรสเก็ตหมดเลยออืเแตม่มาเจอคําสอนตรงนี้แล้วตรงที่พวกพวกคิดมาสอนนะคะมันเราทําให้เราไม่มีศักดาทีนี้แล้วสมาธิครับค่อยๆกับสมาธิสมาธิก็คือจิตที่นิ่งไงจิ oh, <okay. S 2> ตไม่นิ่งมันก็ไม่ใช่เป็นสมาธิคือเราเอาเป็นส่วนเป็นส่วนไปเลยอจิตจะนิ่งได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวคอยคอยควบคุม ถ้าไม่มีสติกินมันก็แขว่งไปแขว่งมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้โอเค I think and then the last one ได้ยินเขาบอกว่าทาเลนี่ถ้าถ้าเราสวดมนต์ทาเนี่ if we say the word wrong that means something not nice <c oughs> ไม่ไม่จริงอะ <ừ m. S 1> <laughs> ผิดก็ผิดแต่มันพูดมันก็ผิด <c oughs> ผิดได้ <c oughs> สวดแล้วเราบอกเกรดอะไรกันอ่อากาลายเป็นเราเราแท่งตัวเองมีเ <c> ม <oughs> ื่อ ป, ปากกัน <c oughs> ไม่เราไม่นะโอเค ก็สวดภาอาหารเี๋ยจะได้เป็นภาอาหานี่ยท่าน้องดูจินิดได้ไหมคะคือชื่อว่าคุณมาลินชื่อว่ารวมรวมหมายถึงว่าเออนิ่งใช่ไหมคะคือนิ่งไม่ไม่คือไม่คิดไปคิดมาจิตไม่ไปจิตรวมท่านเยมันมันมันหลงไอะไรไม่คิดมันนิ่งมันมันไม่คิดด้วยแล้วมันรวมเข้าไปลงไปถึงต้นบ่อเนี่ยคือมันมันมันตกหลุมตกบ่อวุบลงไป รู้แต่นั่งแต่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าตกลงไปแล้วมันหายแล้วลืมตัวไปหมดแต่นั้นไม่ใช่มันก็ถ้าหายไปหมดก็หลับไงหลับคคนก็คลุกหมือนบวแต่ว่าถ้าถ้านั่งแล้วก็จะแต่ว่ามันจะหายไปแว่าปุ๊บแล้วอีกทีก็ขึ้นมารู้อีกทีนึงใชคท่าชวนก็คลุเหมือนอันนี้เรียกหลับไงหลับใน ถ้ามันถรวมเป็นสมาธิมันจะไม่มันจะมันจะรู้ตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นญาณต่างๆก็คือรวมมันเป็นรวมแบบมากรวมน้อยเป็นขั้นๆการรวมนี่มันมีหลายท่านมีแปดท่านด้วยกันเก้าท่านด้วยกันหมายความว่ารวมใตน้ำเท่าไหร่ไม่มันรวมมากรวมน้อยเงี้ยเหมือนเหมือนแสงเป็นดวงจันทร์เนี่ยมันมันมืดมากมืดน้อย่เี้ย แสงจันทร์ม um, ันมืดทีละเสี stains, ้ยวทีละเสียวทีละเสี้ยวไปจิตเวลารวมก็รวมลงไปทีละเสียวทีละเสียวสงบทีละขั้นทีละขั้นเคะแล้วบางคนบอกว่าจิตสว่างหมายความว่าก็มันเกิดความรู้สึกสว่างสวายขึ้นมาภายในใจแต่วันนี้ไม่ใช่เรืว่าเป็นแสงสว่างคือไม่ก็คุณลองหลับตาดูเลยคุณลอหลับตาถึงแสงสว่างดูมันก็สว่าง ลองหงับตาดูเราลองนึกถึงสายผ้าทิกขึ้นมามันก็สว่างขึ้นมาค่ะแล้วถ้วาไม่สว่างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรขอให้สงบเลขอให้สงบ ข, ขอให้เฉยขอให้สบายมีความสุขไม่คิดปรุงแต่งลืมเรื่องทั้งหมดเรื่องเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องลูกเสียงกินแล้วเรื่องร่างกายนี่หายไปจากความรับเรื่อง หรือแต่ตัวรับรู้อยู่ตัวเดียวผู้รู้อยู่ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้ไม่นั่งต้องห้าชั่วโมงมนคนจะเข้าไปเลยมันมันน่นแต่ได้เ่อเ่ยแต่ว่ามันนั่งแล้วมัมขยับตัวมั่งหรือเปล่าที่มันที่มันนั่งได้เรื่ยเมันไม่เจ็บัวเลยมันถึงนั่งได้เรื่เ่ยแล้วไม่ลยขยับตัวเปลี่ยนเรียบปวหรือเปล่า ไมใช่นั่งครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไม่เหมอไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าที่มันไปได้เพราะมันไม่ปวดเลยเพราะมนไ ม, ม, นไม่มันไม่มีสติมนะันมันนั่งใช้ขันติอย่างเดียวใช้ความอดทนจิตก็ยังคิดนู่นคิดนี่ก็คิ ด, ค ด, คดแล้ก็กลับมาเวลานั่งไม่มีอะไรกำกับใจอย่ไหมแล้วดูตลอดเลลวลา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 มันอย่างนริ่มไปยัสติยังไม่มีกำลังพอ<ช>ที่จะึงให้ใจรวมจะอาจจะนั่งได้เพราะว่ามันหนักร้า น, นะคะมไม่อ้วนจริงๆอาจจะนั่งได้เพราะมันไม่มีความอยากจะลุกถ้ามันอยากจะลุกมันก็จะนั่งไม่ได้แต่มันไม่รวมท่านนั่นเองแต่ว่าข้อตอนบัวค่ำเนี่ยนะคะนั่งได้ อย่างมากก็ช่วงมัปวดจนไหนสุดท้ากใจมันก็ไม่อยากนั่งนะคะมันไม่ได้แต่เช้ามื้น อ, อากาศดได้แต่เดี๋ยวว่ามันนั่งหลับหรือปาท่านนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจไม่หลับกเก<ๆ>็ตื่นก็แต่ตีสองไม่เคยรักเลยรู้ตลนะอดเวลนะเาไม่ใช่นั่งแล้วก็ฝันปลงรักคอพักไปไม่หลับก็าคนแก่แล้วกะไม่หลับมันไม่เหมือนกัน อย่างนี้ก็สแสดงว่าสติยังไม่มีกำลังพอที่จะเดิ้งใจให้เข้าสือควางใหมให้รวมได้เพราะไม่เ จ, จริญสติใช้ ข, ขันติใช้ความอดทนใช้ความไม่อยากลุกเป็นเครื่องมือมันก็นั่งได้นานคนเราถ้าไม่อยากจะทำอะไรมันก็อยู่เฉยๆได้ที่มันอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันอยากจะทำนู่งทำนี่ mm hmm. ก็ยังถือว่าดีถ้าไม่มีความอยากก็ใช้ได้ ถาปฏิบัติเป้าหมายก็คือต้องการตัดความอยากทั้งหมดตัดได้ไหมความอยากอยากอยากในนู้นเน่ยอยากในรูปเสียงกลิ่นลดอยากดูอยาก น, น้อยลงเพราะว่าแก่แล้วอ ะ, ะอาดมากแก่ความอยกความอยากมนน้อยลงเพราะมีอายุแ<ๆ>ก่มากใกล้ตายแล้วก็ความอยาัน้อยมันก็ไม่มีความทุกข์กับอะไร มีไหมทุก like okay. yeah. like, like ับอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรทำให้ทุกไหมมันไม่ได้มีเรื่องจะเป็นทุกข์เหือถูกเยรมันไม่งจะเป็นทุกข์แต่ว่าถ้เราคงจะใกล้ตายค่ะถ้าตัวความอยากเป็นขายไอ้ด้วยมันมากขนาดนี้จะอยากอะไรก็ต้องกามต้องการอะไรอย่างนี้ก็ดีเลมก็ได้่าง้นเมาจะเอาอะไรก็ไม่ได้ต้องการอะไรแต่ต้องการที่จะวางใจอยากจะวางใจอยู่ อยากเวลาตายแล้วอยในที่พระสูที่คุณมาให้หที่เจิมานวนพระสูวางใจก็วางกายไงให่วางกายวางแล้ววางใจอยากได้อันนั้นเพราะถ้าวางกายมันก็จะวางใจมาได้ไห ม, ไมรู้สึกว่ายุอเนี่ยพราะเราหัดยุเยอะเลยเรื่องตัดไอ้พวกพวกนี้่านะการวางการปล่อยวางทั้งสี่ทุอย่างก็เป็นการวางใจ สะิวางสามีได้ป่ะวางลูกได้ป่ะอขาคงไม่เข้าห่วงเท่าไหร่ในลูกเขาว่าคงไปเขาว่าอะไรเขาว่าคงแปลว่าอะไรก็คือหมายแปลว่าเขาก็ดูแลตัวเขาเองไม่ใช่นะที่ว่าก็คงไม่ห่วงนี่หมายถึงว่าไงก็คือตอนนี้ไม่ห่วงหรือไม่ห่วงคือไม่สนใจลูกอคือไม่สนใจไม่ไม่คิดไม่สนใจแต่แต่ว่าตอนนี้อะ อาจจะห่วงหลานเพลี้ยมันตกไปที่หลานเพรลูกนี้ไม่สนใจแล้วครับเลิกไปแง้วจมาสนใจหลานบ้างก็อาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะเป็นเด็ก็ต้องก็ต้องวางหลานด้วยถ้าอยากจะวางใจก็วางไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจอกันบ่อยก็ไม่วางวางไม่หมดยังไม่หมดเมว่าวางหมดไม่ไเลยเขาไม่ต้องเจอกันเจอกันก็ได้ นี่แหละว่าเจอกันแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เจอกันมันเป็นหน้าที่เราจะต้องไปทําหน้าที่ของเราต้องไปรับไปส่งเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนน่แหละคือถ้าวางก็คือไม่ไปกังวลกับเขาไม่ไปทุกกับเขาเขาเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเร<อ>าทําอะไรได้เราก็ทําไปตอนนี้ก็ เรียกว่ดลองน้อยแะค่ะเพราสมัยก่อนเขาจะสอบก็ต้องต้องหนังสือด้วยกันนี้ก็แลให้เขาท่องเองไม่สนใจเหเือก็เรื่องวางอย่างเงอ้ยการวางใจก็คือให้วางทุกอย่างถ้าวางทุกอย่างใจก็จะวางใจเป็นทูบแบกการวางใจก็คือให้ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางว่าทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา มันต้องไปยุ่งไปวุ่นวายกับของอยากจะถามแต่กัวเดี๋ยวพวกน้องๆถามไปเดินถามไปเดินมาถามไปเดินมาคือคืออย่างนี้นะคะ I I really like to sit like this แต่มันไม่ได้เลยมันเจ็บแบบเหมือกัใครมาหักขาไปนะคะเลย settle down with a Burmese style sitting l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 You know, the purpose of sitting is that first four or five sentences, okay? Yeah, And yeah. then I go the body, l e the o t h e t h e w breath. When we are not meditating, we just say, "Okay, repeat what is said in, in the Patibhidok itself. Is this okay? Okay. So right now, I really don't have to worry about the uh, body. I mean, how do you say? Meditating t h t h i r t parts of the yeah. body, all the stuff. Only if I get really, really settled that you my a room, yet. can I start thinking about it. You should, if you, if you sit to to get your mind concentrated, you should not think. Okay. You right. should do it afterwards. Afterwards. Do okay, it, do it other time. Okay. When you're not sitting, you can contemplate in the b a l l Okay. Why? i h y w h e I'm not s a t t i n g I don't c o n t e m p l a e When I'm not in a state o i meditation, I want to breathe. If I think, it won't be. แต่ที่เราท่องก่อนหน้าเนี่ยป็นการให้มันจำสเต็ปของมันไม่ใช่จำหรอกมันเป็นเพื่อให้เราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆอ๋อเดีี I can d e c i d e while I'm trying to if I get get lost ถ้าอยู่ไม่สามารถอยู่กับลมหายใจได้ดี๋ยวก็วิ c i t e นี่ไปกนถ้าอยูลเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่ลมหายใจได้กว่า So sequence I remember the ามดึงใจไม่ไปนู่นไปนี่ Mm hmm. ใหมาอยู่ที่นี่พอมากลับมาอยู่ที่นี่ก็มาดูลมสอบ mm hmm. ถ้าดูลมได้ก็ดูลมถ้ายังดูไม่ได้ก็ท่องไปก่อนเนี่ยไอ้ท yeah, ความโกรธความโมโหเนี่ยนะคะเผื mm ่อ hmm. uh, พวกข here, mm ้อพระมันเกิดอีกสักเนียหลังหกเดือนเนี่ยหายแน่พรพวกเขาหายแล้ว but I don't believe in it because mm hmm. เวลาเข้าแถวคือถ้าใครทำอะไรที่ไม่ถูก That's my problem I'm always like a judge ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกเราเราต้องบอกเขาอ่ะเหมือนเด็กเวลาขึ้นรถ BTS ชอบไปเกาะไอ้ตร้งตูนที่มันเปิดไใช่เราเห็นแล้วเราก็เสียล่ะาบอกว่าเราไม่ควรเกาะนะถ้ามันเปิดมันเปิดมาแล้ว so is that okay อ I mean, intruding ไหมคะก็ <c oughs> ต้องรก็ต้องดูว่าคนที่เขาบอกให้เราบอกก็ายินดีฟังเราหรือเปล่าเราบอกเขาไปเดียวก็จบแล้วจบแล้วก็จบไปจบไนะค<น>ะ แล้วก็อันนี้ครัอยากจะถามเพาเราทำมาหลายเที่ยวแล้วซึ่งไอสติงการแมคกิ้งแอนด์แ i นิเมชันด้วยน่คือตอนล้างชามเนี่ยเมีมีกะละมังกะละมังทำมาสองอันแรกกันน้ําปล่าอีกสองอันก็ล้างเป็นสบู่แล้วก็ไปล้างน้ําป่ากันสีกะละมังทีนี้เด็กคนนี้อยู่ข้างๆเราเนี่เกิดไม่อยากรอซูชิจัตสเวนไรท์คือไม่ล้างสบู่ไงคะเอาแต่น้ําก็ไปเลย <c oughs> แต่วันนี้หนูต้องทำํำที่นี่โอ้หนูไม่รู้ค่ะก็เองเดินต่อไปเรื่อยๆ So I said, if I see you that one more time, you're gonna get. คือจะบอกเลยเพราะมันมันมันมัน affect everybody. You dirty. I, I don't want to use your dirty spoon. รู้เปล่าไหมคะ So I don't know should I or should not. I just let her. ก็มี consequence ถ้ามิยูทำอะไรไปเดี๋ยวก็ได้ตีกันแน่แน่ใช่ไหมคะถ้าปล่อยเขาปดีค่ะถ้ายูไม่อยากจะตีเาก็ปล่อยเาปออโอเคปล่อยมันก็มี consequence มันก็ทให น้ำสกปรกอะไรสกปกอ่า huh. ท uh ีม huh. ร uh ีวิวก็ต้องช่างน้ําหนักด้วยว่าอะไรควรไม่ควร and then another incident แต่ถ้าอยู่ที่ว่าอยู่กำัปฏิบัติช่วปล่อยวางอยู่ต้องะต้องปล่อยปล่อยทุกอย่างโอเค l y then I won't tell t h t h e s t r อันนี้อรตอนนี้อยู่กาลังฝึกปล่อยอยู่เห็นอะไรปล่อยไม่เหมือนคนมันจะกระโดดตึกก็ปล่อยมันจะกระโดดตึกมันจะโ้หชนฝาก็ปล่อยมันโหชนฝาแล้วมันของมันก็ปล่อยมาต้องปล่อยมันหมดทุกอย่างถ้าคุณอยากจะ ต้องหาดปล่อยก่อนถ้าปล่อยได้แล้วต่อไปไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไร <Okay. S 1> ต่อไปใช้เหตุผล <Okay. S 1> แต่ตอนนี้เรายังปล่อยไม่ได้ต้องหาดปล่อยให้ได้่อปถ้ปาใครจะทํายังไงดีชั่วก็ปล่อยไปหมดไม่่เรื่องของเราแ <Okay. S 1> ม้แต่เขาจะฆ่าเราก็ปล่อยเขาฆ่าเร า, า, เรา <Okay. S 1> ถ้าหลบไม่ได้ก็ยอมตาย <laughs> นะ ถ้าถ้าถึงขั้นนั้นได้ทิ้สบายแล้วทีนี้ <Okay. S 1> ต่อไปก็จะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ถ้ามันปล่อยไปแล้วมันก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครปล่อยแล้วมันสบายกว่าถึงถึงได้ไม่ไม่เคยอยากยุ่งกับใครไม่พบคนบ <c oughs> ้านเพียงเดียวที่สบ t ยดี only one แต่พอยิ่งนานยิ่งพบคนน้อย <c oughs> ตอนนี้กําลังขาดปล่อยอย่าไปยุ่งกับใครดีอะไรจะเป็นยังไงปล่อยหมดน้ําจะท่วมบ้านจะไหม้ไฟจะไหม้อะไรปล่อยทห้งหมดต้นลิ้งเละกยปล่อยหมดแต่ไหนที่ยังทําได้ก็ทําไปทําล้วไม่มีเรื่องมีราวกับใครก็ทําไปเช่นไฟจะไหม้ก็หยุดได้หยุดไฟไหม้ได้ก็หยุดได้ปลุกปั้นดิงไม่ออกปลั้นดิ้งไม่ออก แต่ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วมีเวรมีกรรมกับใครอย่าไปทําอย่าไปยุ่งดีกว่านนะฮะปล่อยให้ได้ก่อนปล่อยได้ก็รู้สึกสบายเห็นใครก็ทำอะไร้เฉยได้สบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ปล่อยได้แล้วคือเราเรานึกว่า I need to tell them what they have done wrong You need to get in line and not cut the line You know I mean Did you ask me first I'm in line That's what I told her อยูต้องถ้าอยู่เป็นเป็นคนคอยสอนคอยสั่งก็บอกก็ได้คือเป็นครูมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นครูเป็นทั้งเรียนด้วยกันก็อย่างนั้นนะคัต่ทั้งนี้มีมีอะไรไหมแต่ไม่ม <t ali> <t ali> <B> ีอะไรไหมเสียหนาค่ะเคยมีบอกว่าปฏิบัติตมนะคะต้องมีคุบายด่างแล้วก็เคยถกเถียงกันนะคะ เราก็เลยอกว่าอาจารย์เราก็คือพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามคำสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปฏิบัติก็มีความสุขเองก็กล้าหน้าแต่ก็ยังติงดในใจว่าจริงๆเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่แบบสักคนที่เราแบบตามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่จําเป็นหรอกพระพุทธเจ้าหนังสือทําว่านี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ไนดะ้พระอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเวลาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ธรรมะของเราจะเป็นอาจารย์ของเธอต่อไปคําสอนของเราจะเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไป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 แต่ถ้ามีอาจารย์ที่ปฏิบัติฐานมีความรู้มีปัญหาอะไรไปถามท่านอย่างวันนี้มาถามเนี่ยอย่างนี้ก็มาหาอาจารย์กันยอยู่บ้างก็ได้มีหนังสือเยอะแยะแต่อ่านแล้วมันยังหาคำตอบไม่เจอแต่ถ้ามาที่นี่มันได้คำตอบมันเร็วกว่าอาจารย์เน้นถามว่ามีอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นี่ได้ ต้องมีแล้วไม่มีไม่ต้องมีก็ได้มีก็ดีแต่ก็ต้องระวังเดี๋ยวเกิดไปเจออาจารย์ที่หลงอกก็ก็ซวยไปอีก <c oughs> ยังไงก็ต้องอาศัยอาจารย์อาศัยพระเจ้าเป็นหลักไปก่อนพยายามอ่านคำสอนพระเจ้าไว้มากๆศึกษาคำสอนพระเจ้าให้มากๆ <c oughs> แล้วเวลาไปศึกษากับอาจารย์คนอื่นจะได้รู้ว่าเขาสอนถูกก็สอนไม่ถูก อย่างนี้ก็พอเขาฟังป้าเขาก็รู้แล้วไม่ใช่ไหถ้าเป็นบรรลุเป็นนิพพานแล้วต้องตายภายในเจ็ดวันเนี่ยเขาฟังแล้วเขาบอกไม่ไม่มีเหตุมีผลอ่ะมันก็บอกว่าผู้รู้หยุดที่สติกสองอันอะไรเลยนี้นะแต่แต่สายเดียวกันอยู่แลุวมันนะคะท่านเป็นสายเดียวกันแต่ตรงเลยสายเดียวกันแต่มันไม่ได้ปฏิบัติมันก็มันสายแต่ชื่อสายแต่ชื่อแบบมันไม่ได้สายที่ที่เนื้อ I think he's mainly on medication because when he when he talks, mm -hmm. late hair, mm -hmm. you know. I mean, so, but I I don't want to say anything to the kids. เพราะม o นเราไ w ่รู้เป t ่าไหมมั t like I'm c r i t i c i i n g ออร์อาหารแต่ไม่ h ู n อร์อารแลน่วยดีแต่แต่เปล่าไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอร์อาหาหรือเปล่าเราสิ่งที่เราพูดมันไม่มันไม่ผิดมันจะบาดตรงไหน ถ้ามันสิ่งที่เราพูดมันผิดมันก็มันก็ทำให้ยิ่งสับสนกันใหญ่มันก็อยู่ที่ว่าเราพูดเพื่ออะไร mm hmm. เช่นเขาเป็นพระอนานารย์เขาสอนถูกแล้วเราพยายามไปพูดว่าผิดอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ดี mm hmm. พอเราชื่อเราพอะเราคิดว่าเขาพูดผิดแต่ความจริงเราผิดเองแต่เรากลับไปคิดว่าเขาผิดอย่างนี้ mm hmm. แต่อย่างนี้มันก็ไม่ดี คำ ว, ว่าบาปไม่บาปมันคำว่าบาปนี่มันอยู่ที่ห้าข้อั<ม>้่ไหมคุณค่าเขารูหรือเปล่าคุณล<ม>ักทรัพย์เขารู้หรือเปล่าคุณมาพูดผิดตัวเวนีหรือเปล่าไม่ีงนี้ทีนี้เรียกก็าบาปคุณโกหกหรือเปล่า<ม>ถ้าไม่ได้ทําข้อเหล่านี้มันไม่บาปมันเพียงแต่ว่ามันควรไม่ควรหรือเปล่า อ, อย่างก็ไมควรคือไปไปืนทรายจริงเถอขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลูอ ปล่อยเขาไปก็อยากจะพูดอะไรก็อยากจะสอนอะไรก็ปล่อยก็าสอนไปถ้าเราไม่เชื่อเขาเราก็ไม่ต้องไปเชื่อเขาไม่ต้องไปต่อต้านเขาไม่ต้องไปอะปล่อยวางปล่อยว่าแล้อออว อ, อ, อย่งเราปฏิบัติอย่างนีนะคะ่ะมันครูเราต้องมีคูบาอาจารย์ที่เป็นค น, นะ ค, ะคอยแบบส่งกันบ้านสภาวะจำว่าเราถึงไหนยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะหรือว่าก็ปฏิบัติไปไหแหละถ้าถูกขานต้องทำไปเรื่อย บ, บ, บางทีปฏิบัติไปบางทีคุณก็อ จ, จะไปไปเจอทางตาันเข้าคุณก็อยากจะรู้อย่าไปไงต่อคุณก็ต้องหาคนที่เขารู้ทางว่าพอถึงจุดนี้แเราจะไปตรงไหนต่อเพอปฏิบัติมากี่ปีกี่ปีมันก็จุดมันก็หยุดจุดตรงจุดนีนะ้คือมันไม่ไปก้าวหน้าไปกว่า น, นี้ถ้าไม่มีครูอาจารย์ที่เขารู้ทางมาบอกก็มันก็ไม่มีทางไปอ่านหนังสือขี้เกียจหนังสือพระพเจ้าก็ขี้เกียจอ่าน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 I, I need to check with you because now I'm not so sure what he's teaching. Uh, คือ i ือท่านบอกว่าพอพออะไรพุทโธปะ you already ตั้งสมาธิ and then uh ทีครึ่งชั่วโมงก็พออย่าทเยอะเท่ากับโลก and then and then กลางจิตนิ่งจะสะ and then he said to pick out five points uh จมูกหน้าผากสะดือหัวใจ เพื่อที่จะตั้งสถานจิตแต่ mm hmm. I haven't done any of that I've just been breathing in and, mm hmm. and it's all here ตพจาบอก่านัปนสติท่านบอกะรั I I haven't heard it about five points แล้วคุณเชื่อรดี่ตจ่าแล้วชื่อแต่แต่ทีนี้ความรู้สึกคืออย่างนี้นะคะคิดว mm ่าคว่าพลังจิตนี่อาจจะอาจจะใช่ because I now I, I start to sit down I could feel it here. คือมันคยๆว่า like I got something here. I don't know. And then แล้ก็นั่งนิ่งด้วยนะค ะ, ะเดี๋ยวนี้นิ่งขึง้นจ้ะครึช่วงก็นิ่งขึง้น Hmm. So so ไอ้ความจิตไ อ, อ้คำนี้จริงคะวความสงบพนะลงบนะังจิต so i the l s s works o m e h o w you, you do a lot of sitting, it s t a r t building up something, ไหมคะไหมความสงบนี่ไงอ๋อความสงบยิ่งนั่งยิ่งสงบนาะนมันก็ยิ่งมีพลังมากอ๋อโอเค พลังไม่ต่อสู้กับความโกรธไม่ต่อสู้กับความอยากไม่ได้หมายพลังจิตว่าโอ้มีแสงออกมาเห็นเทวดาอะไรไม่ใช่พลังจิตนี่พลังจิตนี่พลังจิตไว้ต่อสู้กับกิเลสแล้วยิ่งนั่งยิ่งนานยิ่งยิ่งพลังจิตยิ่งมากกำลังยิ่งมากเหมือนชาร์จแบบตชาร์จคึ่งชั่วโมงกับชาร์จชั่วโมงนึงอันไหนมันจะมากกว่าแต่เรานั่งสมาธินี่ก็เหมือนชาร์จแบต จิตแล้วก็เป็นเหมือนแบบไอ้ท้อมนั่งเนี่ยมันไอ้อย่างเงี้ยคุยแล้วก็ธรรมดาไปนอนคือฝักใส่เสื้อใส่ขัดตหะหมาก็พุทโธเนี่ยตรงนี้มันมันแบบ something is happening here like ก็รู้ไปเลยมันเป็นอะไรก็รู้ไปเลยความความสงบเออโอเคพนะลังจิตโอเคแัดเสียงนี่เป็นไงนี <laughs> ่ไงวะ หนูลองส่งกันบ้าเลยนะออกเลยมต้องมาส่งกานบ้านใช่ไหมค่ะคือคือคือนูนี้ปฏิบัตินวใหตัวเอก้าค่ะที่ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกิดอะไค่ะแล้วที่มีฉพาะที่เกิดขึ้นแปลกนะคะก็คืออย่างครั้งแรกมันเหมือนนแท่งเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะขึ้นมาจเท้าก็ส่แนค่ะแล้วมันก็จบไปแต่ครั้งที่สองหนูเทคออ่ะมันก็แบบ เขาจะให้แบบให้แทนทะลุไขสนันหลังนะคะ<อ>แล้วก็เหมือนจะแทนทั้งตัวนะคะควาจริงเวลาดั้งนี้ไม่นควรที่จะไปไ ป, ไปไปไปทําให้มันเกิดอาการเหล่านี้นขึ้นมามันไม่เป็นธรรมชาติขนาดนั้ควรจะปล่อยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วความสุขที่ควรจะรู้ก็มีอยู่สามตัวทั้งคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์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 มีเคปแล้วมันไปกินสักชั้นให้ลองทำป่ะพอทาเสร็จแล้วไม่ก็เหมือนแบบมันเหมือนใจหายไปแล้วเหลือแต่หัวเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะให้เราซ้อมให้ก่อนว่าเดี๋ยวคราวหน้าเวลาไปหาหมอหมอเขาจะเอาคิดเอาเอาเอาเข็มฉีดยามาฉีดเราเราจะได้เราจะได้ทําใจเฉยได้คือเป้าหมายก็คือให้เราใจเราวางเฉยปล่อยวางไม่ว่าจะจะเป็นความเจ็บในรูปแบบไหนก็ตาม มีห อ, อกมาทิ่งมาแทงเราก็เฉยมันรู้เฉยเฉยรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายห อ, อกมันแทงร่างกายเราเป็นจิตเราเป็นผู้รู้ก็รู้ไปทันเองเราไม่ได้โดนห อ, อกแยกอยากจิตออกแต่ร่างกายถ้ า, าใครทำอย่างนี้ก็เป็นการสุดถึกซ้อมไว้เผื่อเดี๋ยวต่อไปไปเจอเวทนาที่เราไม่ปราถนาเราจะได้ทำใจเฉยได้ เพานั้นเนี่ยความหมายอย่างการเสึกการฝึกเวทนานี้ก็ส่วนใหญ่ก็ดูยู่ที่ตัวทุกข์ที่ทุกขเวทนาเป็นหลักเพราะเป็นตัวที่เราไม่ชอบนะฝึกเวทนานี่เราอยู่กับมันได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็พอจะอยู่กันได้แต่พอทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่แหละมันมันเดือดร้อนขึ้นมาเช่นเวลาทุกขไม่ได้กินข้าวนี้มันก็เดือดร้อนน้องอดข้าวด้วยถ้าอยาก จ, จะเจริ ทุกเวทนาก็ ล, ลองอดข้าวดูก น, นะหรือลองนั่งไปนานๆเดี๋ยวมันก็เจ็บขึ้นมาปวดขึ้นมาแล้วก็มี่ตอนนั่นงเห็นใจเห็นใจเห็นจะใช้วิธีฝ่ายวางด้วยวิปัสสนาพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ไดถไไ้ถ้าเราไม่เราไม่ไปถ้าเราไม่ประยามให้มันหายเราจะไม่ทุกขออ์ให้รู้อย่างเดียว รุ่งธรรมเนียบกับที่พ่อพทําจิตเป็นกลางเลยนะเนี่ยทาจิตเป็นกลางทําจิตให้ตายไงคาว่าทําจิตให้ตายก็คือไม่ให้มันแอคที่ไม่ให้มันรีแอคเข้าใจไหมธรรมดาจิตเรามันจะรีแอคมีอะไรมาสัมผัสก็มันจะตอบโต้ทันทีมันจะมีอารมณ์สัมผัสรับรู้แล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้มันหายอยากให้มันอยู่มันก็มีสองตัวเนี่ยภาวะตันหากับวิภาคตันหา ถ้าสุขเวทนาขึ้นมาก็อยากให้มันอยู่เป็นนานๆพอทุกก็เวทนาขึ้นมาก็ er อยากให้มันหายไปเพราะเกิดความอยากเพรามันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีตัวนึ่ทุกในอริยสัจสีเนี่ยตัวนี้ที่เราบำปฏิบัติเพื่อต้องมากําจัดก็คือทุกในอริยสัจสีทุกในร่างกายนี้ไปกําจัดมันไม่ได้ตราบใดยังมีร่างกายนี้อยู่แต่แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์กับร่างกายมีความทุกข์ในร่างกายแต่ใจของท่านไม่ทุกข์กับมัน ว่าท่านรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจเธอหยุดความอยากไม่ให้ระอยากให้ความทุกข์กของร่างกายหายไปประเดนมันอยู่ตรงนี้แล้วเราใช้ในวัดนกรัรว่าเร า, าไปดัทุกข์าก็ไม่ทุกกับมันไงเวลาเจ็บก็เฉยยิ้มได้สบายเวลาใครด่าก็เฉยเวลาใครแกล้า ตอนแยกตัดข้าวกินกคนอื่นมาแย่งตักเอากับข้าวไว้ก่อนอ เ, อเฉยหรือเปล่าเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเปล่าใจเป็นกลางกับทุกทุกเหตุการณ์ได้หรือเปล่ า, นามเนี่ยตอนเนี้เสียงดังเนี่ยเฉยกับมันได้ป่ะมันจะดังก็ไปมันดังไปอย่าก็คุยเอาเงินไปใครชมก็เฉยได้หรือเปล่าหรือ ใ, ใครชมแล้วก็ยิ้มแป้ง การยิ้มแยกาแสดงว่าไม่เฉยใครด่าก็หน้าเบึ้งเต้นขึ้นมาทีไม่งันต้องอยู่เฉยอยู่เหมือกัวเหมือนกับเวลาไม่มีใครด่าไม่มีใครชมเจยงี้นี่เข้าใจยังต้องมีครูแล้วนี่ต้องมีครูดีมีคกนแล้วมีคนตอบเออ แต่ไม่ใช่หมายความต้องให้ครูมานั่งกำกับนั่งสมาธิกับนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้มีครูมาพาเดินจงกรมพาดั่งสมาธิไม่ใช่ครูแบบนั้นเราต้องเป็นครูของเราเองเราต้องบังคับตัวเราเองให้นั่งให้เดินแต่เวลาเราติดปัญหาเราไม่รู้ว่าเราจะแก้อย่างไรหรือเราไม่รู้ว่าจะทำจะจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องไปถามคนที่เขาเคยปฏิบัตินะถ้าทำกับข้าวเนี่ยเราจะทําแกงส้มเนี่ย แต่พอทาออกมามันไม่เป็นแกงส้มก็เลยไปถามคนที่เขารู้ว่าวิธีทำแกงส้มนี่ถูกเป็นยังไงเข้าใจไหมยช่เขาม้า า, าเคยมาปะ่ะเยมีอะไรเล่าอันนี้ อ, ววนอย่างเดียวเ <c oughs> มีสีดีนะ CD หยิบได้หนะหเหมนไม่่งีนี่เราเปเคแล้วร วางไว้แล้วเนีาา่ยวางของขนาดเท่าที่เกียดรักกับมือเขื่อนนะของวางไว้ถือว่าของนี้ได้ประเทยหอนอยะอ่าสั่งไว้ตรงนี้แล้วต้องาการวัสดุพีดีก็หยิบได้คุณยอมต้องาการอะไรก็หยิบได้ มีภาษาภาษาอังกฤษเล่นที่สองได้อย่างไอยังจะมาขอกายดคือคืออย่างนี้นะครับไปเจอหนังสือต้นต้อนเย็้เย็นน้เย็นย็ก็เนอะเย็นเย็นนะเอาวรย่างเดี๋ยวก่อนยังเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตอนติดท้ายก่อนเดี๋ยวเดียวตอนนี้เราต้องเดี๋ยวมันปวดฉี่ใกล้จะเลิกก่อนใกล้ฉี่เดีคือคือหนังสือต้นเนี่ยไปเจอ It's like a g o l d m i n e นี่สูงมันซื้อไต็ม่หมดเลยมนซืทำแต่อันที่เป็นของอาจารย์นะตอบปัญหาหาใจใช่ค่ะหาคาใจมีหนึ่งถึงเจ็ดเามีสามเองสเรื่องเนีงเขาไปติดตาวที่โรงพิมพ์ที่โรงพิมพ์อยู่ีไหนคะในหนังสือเนี่ยอ๋อในหนังสือเก็มีเก็บก็มีเก็บไว้อยู่โอเคดีจังถ้าไม่มีก็ต้องดาวน์โหลดเมีดาวน์โหลดก็มานีให้มีเจ็ดเ่ดาวน์โหลดได้เพราะมีแต่ คำตอบกับคำถามหมดทุกเล่มเลยกาลังทำเล่มที่แดอยู nah, yeah, ่เดี๋ยวจะจัดการกลังทาเล่มที่แอยู่แล้วเล่มที่แนี่ยังจากที่นี่หรือเปล่าคะยังไม่พิมพ์ยังไม่ได้พิมพ์กำลังทำอยู่เา่พิมพ์ใช่ไคะกลังจะพิมพ์ยดีมากค่ะถ้าอยากจะดาวน์โหลดก็ให้ยกส่งดาวน์โหลดลิงก์ไปให้ก็ได้ดาวน์โหลดหมดเลยพอห่านแล้วชอบมาเพิ่งเจอเมื่อวานนี้เลย ถ้าอยากได้หนังสือก็ต้องโทรไปที่โรงเรนเขาส่วนมักจะมีสตตล์เส็บไว้ให้ค่ะนังสือเราต่อเข้าใจเข้าใจง่ายหน่อยนะคือจะไม่ต้องแปลของของของอาจารย์เนี่ยสบายมาก explain Thai เหมือนกับคนที่ contact กันกันละเคยได้ยินชื่อท่านไหมคะ explain กันหา explain English แม่ที่ที่ Like the uh -huh. And yes. then you teach very similar, and I like his book. But there are only five o them. I n t o w But I just offer. Yeah. b so I have a tendency to kind of nap a n o n y m i t y i talk p o r e and that work.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 มีอะไรนะมาจากที่ไหนปรเทศมาจากประเทศโดยตรงหรือว่ามา่า น, นัม า, าเมาโดยตรงนะได้แต่อ่านหนังสือควนี้ก็เลยอยากมาเจ อ, อนจ้อมีหนังสือมีซีดีมนะ่นีมีแล้วค่ะาามาได้ไม่มีคถามอะไรนะไ เริ่มปฏิบัติแล้วค่ะได้แค่ อ, าอ่านแต่ย่เริ่ม <c oughs> ดูแผนที่มานานแล้วต้องออกเดินทางได้แล้ว <c oughs> ถ้าไม่เดินทางมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางการอ่านนี่เป็นเหมือนกับการเปิดดูแผนที่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ <c oughs> เองจาะรู้อะไรเพิ่มขึ้นรู้จักทางนะถ้ารู้จักทางก็ต้องออกเดินทางถ้าเดินทางเดี๋ยวเดียวก็ถึงถ้าไม่เดินทางอีกร้อปีก็ไม่ถึง อันนั้นช่วยช่วยวางบูชาไว้เลยก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องประเพณีอ่าช่วยช่วยวางบูชาไว้เลยการอะไรก็หยิดได้นะของน้วงตามาครักคดีนั่นเองเป็นผูหยกวางร่าได้ได้ได้ตรงไหนก็ได้ทานนั้นวันศ่อนได้ฟังเทป ของอาจารย์ขอถามอันสุดท้ายคือถามเยอะแยะเลยเพราะมาเอาให้คุ้มกรุงเทพเองคือคือวันนั้นได้ยินว่าจิตกระจอันนี้อธิบายว่าจิตแต่สวดใจแต่เราเราก็จำไม่ได้คือจิตเขาจะเพูดเขียวกันเรื่องความคิดตรงต่ถ้าจิตจิตคิดใจรู้ค ตัวจิตใจนี่มันมันมีหน้าที่สองหน้าที่หลักไงคือรู้กับคิดไงเวลาคิดนี่ก็เรียกว่าจิต <Okay. S 2> เวลารููก็เรียกว่าใจ <Huh. S 2> ผู้รู้ไง okay. uh huh. ผู้รู้ <I thought S 2> ก็คือใจจิตนี่จะจะสงบกว่าแต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่สงบไม่สงบมันไม่เกี่ยวว่าสงบไม่สง บ, สงบคือใจเวลาเราพูดถึงตัวรู้เราจะเรียกว่าใจเวลาตัวคิดเราเรียกว่าจิต แต่บางทีเขาก็สลับกันก็ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรตายตัว so I mean I should just forget it just ว่าเป็นจิตกระจ synonymous อ่า synonymous okay ใช้ใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้จิตใจก็คือตัวรู้ตัวคิดแต่มันตัวเดียวเหมือนกับร่างกายมีร่างกายอันเดียวแต่มีตาหูจมูกยิ้มใจ แต่ยังงต้องศึกษาอะไรนามกายรูปกายนามรูปนี่แปลว่าที่ทัชไ้จับได้สัมผัสได้ใช่ไะเรองนามแปลว่าเป็นพวกขันห้เอไปขันสี4ขันสี่รูปขันคือร่างกายนามขันคือความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกความจาได้หมายรู้ความรู้สึกนึกคิดนี่เรียกว่านามราการทิ้งเทไปวันก่อนจะต้องไปกลับสามสี่ ขันท่าคือตัวประกอบของร่างกายของชีวิตเราไงชีวิตเรานี่มีห้าส่วนแต่เราเห็นเพียงส่วนเดียวเห็นส่วนร่างกายส่วนที่เห็นนี่เราเรียกว่ารูปประขันส่วนที่ไม่เห็นก็คือนามปขันคือความคิดความรู้สึกความจําได้หมายรู้แล้วการรับรู้ not tangible not physical mental นามนามก็คือ mental รูปก็คือ p ิสิกอลรับรับเชนเนียเนก็นามเลยก็รับรับเชก็คือความรู้ความจำได้หมายรู้เป็นตัวไหนคะตัวสัญญาสัญญาสังขารก็คือความคิดคุงแต่งเวทนาก็คือความรู้สึกเวียนญาณก็คือการรู้รูปเสียงกลิ่นรเป็นน acknowledgement of the the senses The the the t h i n g you see, the thing you hear, อันนี้เป็นเป็นวิญญาณถ e e เห็ i t ห็นด้ e ยตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณเห็นเสีย e รับรู้ r างเส I have to remember all of this. No. No. Okay. Okay, <laughs> to uh, <I'm>, uh, <laughs> know what it is. Ah. Okay. a u Ah. a n Ah. Ah. a Ah. Ah. a t h e h h Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. a a l times, but yeah. it's h Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. นา้ว่เนี่ยฐานห้ามันมีมันมันมันทํางานร่วมกันเป็นจอยเวนเชอร์อะไรนะร่างกายนี่ร่างกายมันมีตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณมันก็มารับข้อมูลจากร่างกายเวลาตาเห็นอะไรวิญญาณก็รับความรู้นี้ก็ส่งไปให้ใจใจก็ใจก็มีสัญญามารับต่อว่าเป็นรูปอะไรรูปของแมรี่หรือรูปของหยกอย่แล้วก็แมรี่ก็ รู้แล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนแล้วเป็นมิตรแล้วเป็นศัตรูถ้าเป็นมิตรก็เกิดกูดฟีลลิ่งขึ้นมานะ <c oughs> ถ้าเป็นศัตรูก็เกิดแบ๊กฟีลลิ่งขึ้นมาพ อ, อเกิดฟีลลิ่งขึ้นมาก็เกิดสังขารทําไงดีถ้ากูดฟีลลิ่งก็เดินเข้าหา <c oughs> ถ้าแบ๊กฟีลลิ่งก็เดินหนีดีกว่าถ <c oughs> อยดีกว่าเ <c oughs> นี่ยคือทํางานขอ ง, ของของขันห้ามันทํามันทําร่วมกัน <c oughs> ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็ทําไม่ได้ เช่นตาบอดปั๊เนี้ยตาบอดไปวิญญาณก็ไม่รอบรู้ภาพแล้วนี่เห็นใครมาใครมาหาก็ไม่รู้เป็นใครแล้วเช่นเล่นัศนะแต่งมีคำถามนี้อันนี้เก่ามากคือคือลืมทุกทีซอยคืออันนี้คิดว่าพวกคุณคนจะคงสนใจนะคบคือ we ท a l k about พ อ, พ, อพอเราร่างกายมันตายไปแล้วใช่ไหมคะเอาวัยวาก็อยู่ตรงนี้หมดแต่จิตมันไปแล้วจิตเห็นนะคะฮะ When you die, Can you see? Can you see? Mm -hmm. Oh, so you, you actually, you don't see anything new, then. Yeah. It's n g sort of okay.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 มันก็มาทันทีในใจอันนี้มันมัน s ต o r e อยู่ในใจ <Okay. S 2> สัญญาอยู่ในสัญญา <Okay. S 2> อันนี้เราก็ไม่รู้นะมันเป็นคำแปลมาจากภาษาบาลีค่ะแต่ถ้าดูดูดูจากการขยายความก็ให้ดูจิตไงให้ดูจิตว่าจิตเราตอนนี้เป็นอย่างไรจิตเราสงบหรือจิตเราฟุ้ง พี่ช่วยคุณพ่อเลยจะจบอยู่แล้วนะคะพยายามนการไปสอบใช่คุณเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบเรียนอไรเหรอไปมากไม่สอบงแล้วไป่สอบยังไม่ได้ห่ครับเรียนทําเลยครับเรียนหนึ่งะบารีมาหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสองก็จะสอบพร้อมกันใช่เไสองหเขากันครับสองถ้าได้สามก็จะเป็นมหา ก็เหมนเรียภาษาอังกฤษเท่นั้นเองแต่มันก็ดีตรงที่ว่าถ้าถ้าอ่านภาษาบาลีได้ไปอ่านต้นฉบับของพระไตรปิฎกมันก็อาจจะเก็นม่มันมีความแปลอยู่แล้วมีแปลเป็นภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษหลากหลายภาษาอ่อ่านเองจเข้าใจกว่านะซึ่งปฏิบัติไม่ไถ้าปฏิบัติแล้วพออ่านก็จะรู้ว่าแปลผิดหรือไม่แปผิด แต่ถ้าไม่ปฏิบัินี้มันก็ยังไม่รู้ว่าแต่ถูกหรือไม่แต่ถูกเวลาไปไปที่เรียนเนี่ยค่ะแล้วเขาจะมีอะไรขันเช้ากับขันเย็น I can't stand it because คือ mumble j u m b อะไรขันเช้าขันเย็นเอสวดอะค่ะคือคือเราไม่รู้ว่าเช้าวันเย็นวันเช้าวันเย็นวัเช้าวันเย็นขันเช้าันเย็นไกันใหญ่ปังขันอยู่ทั้งันคือมันมัน gibberish ก็เป็นวิธีที่อุบายให้มันท่า่ใจไม่ไปคิดเรื่องอะ้รแต่แค่นั่นเองที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในมิลลิเคนข้าพระเจ้าไม่หรอกไม่หรอกเป็นอุบายให้ทำสมาธิแทนที่จะมานั่งคิดถึงขนมนมเนยก็ให้มาสวดแทนแต่เกาสวดตอนจบแล้วจะกลับบ้านกันก็เขาเขาถือว่ามันเป็นธรรมเนียมไม่บาปกระทั่เป็นวิธีทำใจให้สงบแบบ แต่ถ้าอยากให้สงบมต้องสวดยาวๆนานๆทักชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอตั้งใจสวดแล้วไม่จริงเนาะถ้าคิดมันก็คิดไปเรื่อยถ้าคิดมันก็ไม่สงบเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดสวดแล้วต้องรู้เด้วยวกําลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็ต้องกลับมาสวดให้มันเร็วขึ้นกันนะมันจะได้ไปคิดไม่ได้ตอนเช้าดีมากเป้าหมายดีมาก เขารูหรอว่าแต่เขามีคำแป ล, แปลให้มาแล้วลและมีต่กี้เกียรติหนัง ส, สือวันตั้งเนี <c oughs> ้อา่านอะไร่รู้แค่สามตัวนี้ก็พอ ร, รู้ว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตาเน้นเนะ่อม <c oughs> yeah. just information l แ, แล้วพอเจอของต้นก็ d ิเลส e ละสามเล่ม ที่ที่อะไรเมื่อกี้ปีนั้นหาด<ช>ีแต่ดีมากปะหาแล้วแบบจอเลยเพราะว่าออลแบบอันเป็คำถามแล้วก็เป็นคำตอบอย่งนั้นเราชอบถามอยู่ด้วยใช่ <c oughs> ไหมใช่ว่าทำอย่างนี้เพื่อสุดท้ายคือเป็น perpetual student <c oughs> เดย์ลองไปดาวน์โหลดไปอ่านดูก็ได้เนี่ยถ้าโทรไปที่โรงพิมพ์นะก็น่าจะมีแจกมาอยู่ให้เขาส่งมาที่บ้านให้ก็ได้ไถ้าอยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะไปหาเลย เรอยู่ทางถนนเพชรเกษมเนี่ยสั่งทนสั่งทนเลไ้หลานไปซื้อลายต้นไปจัดการได้ต้นก็ติดต่อได้มีอะไรไหมไม่มี้วไม่มีแเดี๋ยวคืไม่จบ่อลขม่ม๋ออันนั้นรู้แล้วเคยได้ยินอาจารย์พูดแล้ว When I first came home, w e n to t eat lunch with my CDC friend, ก็เอาเองบอกว่าพยายามขวางข้างเข้าไปนี้เลให้แม่ให้สายเข้าไปไม่ต้องพูดมากซอยชงักเลยใช่ไหมครับแลพอดีคุณแม่เจนนอยู่ so I didn't raise any issue. แล้วคนที่สก็เอาอีกอย่างเงี้ยคราวนี้เราบอกเลยเราเราไม่ทำนะของวัดนะเพราะวัดรวยมากแล้วบอกเขาทาเลี้ยงเด็กดีกว่า ตอนนั้นยังไม่ได้เป็ น, นะคะูแตักยรยนออันนี้อันนี้ถูกไหมคะแล้ ว, ลวที่เขาทำอย่างนี้แล้วเราบอกก็ตามตรง ว, ว่าเราไม่เราไม่ศรัทธาคือตอนนั้นอย่างเป็นคือทำบุญไม่ทำบุญนีญญ่อยู่ที่ตัวเราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้า<ม>ทำแ ล, แล้วเรารู้ว่าเรามีสุขเราก็ทำใช่ไหมคะ and and it's okay to speak my mind ก็บางทีก็ถ้ามี ถ้ามีดิปโลมัติกหน่อยก็ดีเป็นคนฝันตาซ่าต้องตัดสิ่งแกะถ้าถ้าถ้าไม่พูดได้ก็ดีดีกว่าพูดโดยถ้าพูดแล้วทำให้มันแตกแต่แยกที่น่าเขาไม่ไปชอบเรากพเราบอกเขาผิดเราถึงว่า่ามีคนไม่ค่ามีเพื่อนเท่าไหร่ไม่อยากมีด้วยค่ะเอสเตอไว้คนเดิมในคลองมิตรรนโชวค่ะเอจินเนอร์เอจินเนอร์ไมอยู่บ้านกับเพื่อ ก็อย่าไปสร้างศัตรูโด <Yeah. S 2> ย, ยเดถ้าไม่ชอ บ, บถ้าไม่ชอบกันก็เฉยๆไว้ดีกว่าคิดถึงผลที่จะตามมาคำพูดแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันอาจจะส่งผลยาวไป่านเ้ย <Yeah. S 2> อาจจะโกรธเกลียดกันไปยาวเลยแ ต, แต่อยู่นอกโลกไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะ อลังน่า ก, ก็ไม่ใช่เมือนทยเขา t u e y don't trace your your your u space this is my space ทุกค น, นั่นเขาล่นกันไงมันเป็นคนเราเื่นที่นี่เขาแบบว่ามันต้องร่วมกัน uh. ที่นี่สอนให้ร่วมกันดีด้วยไม่ใช่สอนเ <c oughs> ออมันก็ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะบางทีเวลาต้องการความช่วยเหลือมันก็จะมากันเยอะแต่ที่น่เวลาต้องการความช่วยเหลือบางทีไม่มีเลย ไม่พวมากันก็รู้ว่ามากันเลย like if you have problem with house burned o w n your neighbor เอามาหมด like ข่าอะไรมา uh. เขารู้สึกว่าความรู้สึกเขาพูดก่อนนะคะพูด uh. ถึงข้างในอะไเนี่ย uh. แต่ไม่ดีก็มีไม่ช่วย uh. แต่บางคนมาเจอทุกุพวกนีก้เขารวยแล้วเขา mm. เขา I don't know ไม่ไม่นึกสนใจเข้าใจเราอันนี้จะ a t that's all I mean I should stop to that. that's another Chase. I a n a l y z and I m a j u d g คือเขาจะไงเราก็เฉยเฉยไปกันแล้วเขาจะดีก็อะไรของเขาเขาจะไม่ดีแต่ stop judge n t มีกางเลยมให้ตัดไปเลยอคือ judge ได้แต่อย่าไปอย่าไปยึดติดกับ judge เรื่อนเรารู้ว่าเขาไม่ดีแล้วก็ปล่อยรู้ว่าเขาดีก็ปล่อย judge ได้แต่ไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเขาไม่ดีก็ด่าเขาหรือว่าไปตัโต๊ะเาอะไรไม่ต้อง ปล่อยวางแต่รู้ได้รู้แล้วไให้ปล่อยวางรู้ว่าคนนี้ดีก็ต้องปล่อยเขารู้ว่าคนนี้ไม่ดีก็ต้องปล่อยเขาขอบคุณไลขอบคุณคุณผู้ใหขอขอบ้างมาถาอาจารย์ดีกว่านีอะไรไหมคุณพีนคุณพีน ก็ัก็โดยโดยสรุปก็คือปฏิบัติเพื่อให้ใจเราสงบไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไปวุ่นเองเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้คําว่าไม่วุ่นก็แบบไม่ไม่ยุ่งเขาไม่อะไรนะคำว่าเราไม่เกี่ยวข้องส่วนไหนที่เราเกี่ยวข้องได้ทำแล้วเป็นประโยชน์ ทำน่าให้เกิดความสุขกันก็ทำไปแล่เราอย่าไม่ไปทำให้เกิดความวุ่นวายใจกับเราและกับผู้อื่นขึ้นมาไอไไ้ใครผู้ไม่ยิ่งกว่าใครเลยแต่ชอบมาชวนทานข้าวแต่เราบอกไม่ไปคำเดียวก็ยังไม่ทำไมทำไมอะไรอย่างเงี้ย I mean t h e don't stop they keep nudging <and S 1> nudging and I have to คุณโทพูดโทรไหโทรของพูดโทรปล่อยชนะไปไม่ต้องไปต่อก็ไม่มีการไม่มีคำวันคำพวกเราต้องต่อเนี่ยแล้วยังอุตส่าห์หาเบอร์โทรศัพท์เราเจอแล้วอุตส่าห์ไม่ใช่ละล้าโทรมาเ็ปล่อยาพูดไปแล้วก็เอาเอาไว้ห่างหูล้วก็ได้ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเออโอเคนะไม่มีอะไรนะจะให้พรนะ ยถาวารวะหาปุราริกุเรนติสาส郎เอวะเนวะอโตตินังเตตานังอุปการปฏิอิชิตังสักิตังตุมหังทิะเมวะสนิชโตุสัาเพกรังตุสังตะปาจันทโทปนะระโชยะถามานิโชติพระโชยะถาสัพพิติโยวิวัชฌาตุ สัพพะโรคโควินัศสตุมาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีพายุโกผวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมะวะทานติอายุวันโนสุขังภาลาง